พึ่งพากันตั้งสติสำรวมใจของตนให้แน่วแน่พิจารณาตามธรรมะที่อธิบายไปโดยลำดับให้มันเห็นแจ้งไปในใจของตนอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆฟังแล้วๆไปเลยไม่คิดว่าจะกำหนดจดจำเอาอะไรเลยอย่างนี้ มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไระจากการฟังเพราะว่าทุกคนนั้นไม่ได้รู้ไม่ได้ฉลาดมาแต่เมื่อเกิดเกิดมาแล้วเจริญวัยใหญ่โตแล้วเราก็จึงได้มาฝึก้นตนของตอนด้วยการศึกษาและเรียนวิชาความรู้ต่างๆตามวัยเมื่ออยู่ในวัยเด็กก็เรียน หนังสือภาษาของชาติให้เขียนได้อ่านออกคล่องแคล่วอย่างนี้นยะมันไม่ใช่ว่ามันรู้มาแต่ว่าเกิดมาอะไรเกิดมาแล้วก็มาเรียนเอาไม่เมื่อผ่านการศึกษาความรู้ในทางโลกแล้วในฐานะเราเป็นคนไทยนับสือพุทธศาสนา ธรรมเนียมมีอยู่ว่าเกิดมาเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องบวชมันนักถือกันเป็นธรรมเนียมมาอย่างนั้นดังนั้นแหละเมื่อผู้ที่ผ่านการศึกษาเล่เาเรียนมาแล้วบางคนก็เลยเข้าวัดบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุยังไม่ครบยี่สิบ เมื่อมีศรัทธาแรงกล้าก็มาบวชเป็นสามเณรไปก่อนอย่างนีนะ้เมื่ออายุครบบวชพระแล้วก็บวชพระต่อไปอีกอันนี้มันเป็นธรรมเนียมกันมาตั้งแต่ครัง้งพุทธกาลนู่นเหมือนอย่างในตระกูลของพระพุทธเจ้านั่นนะ่ะเรียกว่าพวกสักการัรา วันนี่ตามประวัติของพระอรุทธะพระอรุทธะนี่ท่านมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งที่ว่าท่ามหานามนสองพี่น้องมาปรึกษาหารือกันบ่า น, นี้เอ๊ะนี่ตระกูลอื่นๆนะเขายังออกบวชกันตามสเสด็จพระบรมศาสดา ซ, ซึ่งเป็นพระญาต ผู้ใหญ่ของพวกเราวันนี้ในครอบครัวของเราเนี่ยเรายังไม่มีใครออกบวชตามเสด็จเลยว่างั้นเราสองพี่น้องเนี่ยอา้าวใครจะไปบวชน้องจะไปบวชหรือว่าหรือว่าพี่จะไปบวชเรามาตกลงกันเอ๊ะ อรุรรทธานี่ก็พูดกับพี่ชายว่าน้องเห็นจะไปบวชไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นผู้สุคุ ม, มาราชาติไม่เคยกากรกรรมลําบากอะไรเลยออย่างนี้นะจะไปบวชคงไม่ได้หรอกผู้พี่ชายก็บอกว่าเออถ้าถ้าแกไปบวชไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่จะไปบวชแต่ว่าให้น้องศึกษา ความรู้เกี่ยวกั บ, ก, บการทำนาทำสวนนะเพราะว่าตระกูลของเราเป็นตระกูลชาวนาเป็นผู้ทำนาสมัยนะั้นถึงแม้เป็นกษัตริย์เป็นเชื้อเจ้าก็ทำนากันเป็นพื้นเลย mm. ดังนั้นน้องจวมาศึกษาเอาความรู้ในการทำนาเสียดังพี่จะเล่าให้ฟัง การทำนานี่เหมือนกันเริ่มตั้งแต่ไถแต่คลาดแล้วก็วานเมื่อกล้ายาวขึ้นมาแล้วก็ถอนออกไว้ปักดำอะไรท่านก็บรรยายไปให้ฟังจนตลอดได้เก็บเกี่ยวจนได้นวดขนเข้าขึ้นยุ่งขึ้นช้างพออนุทะได้ฟังอย่างนั้นท้อใจวานี่โอ้แมมการทำนานทำสวนนี่มัน ยากลำบากเหลือเกินเนี่ยน้องไม่เอาแล้วไม่ทำหรอกน้องแกนหนีไปบวชขอให้พี่ทำนาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปซ ะ, อะเออถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะทำเหมือนพระอนุรุทธะก็ไปกราบลาบมานดาวะนี่ มารดารักหลายรักลูกไม่อยากให้บวชเลยอั น, น้นาก็ไปอ้อนวอนหลายครั้งหลายหมนมารดาก็หาอุบายพูดถ้าว่าแกจะบวชจริงๆนะ่ะก็ให้ไปชักชวนเอ า, เอาพัทธิยะผู้เป็นสหายของลูกนะนะั่นน่ะไปบวช ด, ด้วยกันหวงนั้น แม่จึงจะยิน ย, ยอมให้ไปบวชวานนี้เราทาก็เลยไปหาเพื่อนหาเพื่อนไปชี้แจงเหตุผลให้เพื่อนฟังว่าโอ้ยการบวชของเราเนี่มันเนื่องอยู่กับเพื่อนเนอะวะงั้นเพราะมารดาของเรามีพันธะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เพื่อนจงออกบวช ด, ด้วยกันกับเราเถิด พัทยะกุมามรก็ไม่ขัดวันนี้อามบวดก็บวชนั่นเนี่ยก็เลยไปบวช ด, ด้วยกันสองสาเหตุพัทยะนีเนาานะ่เป็นพระราชานะเป็นผู้ครองเมืองนะอยู่แต่ว่าเมื่อเพื่อนสักชวนกันแล้วตกลงกันได้แล้วนี่เพื่อนก็สละ ราจะสมบัติไปบวชได้เลยอย่างนี้แหละพอบวชเข้ามาแล้วเรียนกรรมฐานกับพระพุทธเจ้าแล้วไปประกอบความเพียรไม่หยุดไม่ยั้งไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตผลทั้งสองพระองค์ท่าน <c oughs> ส่วนพระพัทธิยะนั้น เปล่งอุทานในที่ต่างๆว่าสุขหนอสุขหนอว่าเงัน้นพระทั้งหลายไม่รู้ก็ไปวิจารณ์กันว่าโอ้พระพู้เป็นเจ้าองค์นี้เพื่อนบน่นอแต่ว่าสุขหนอสุขหนอนี่เข้าใจว่าจะนึกถึงราชสมบัติขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วก็ดีอกดีใจและถึงได้พูดออกมาอย่างนี้ <c oughs> ก็ไปก็ <c oughs> ไปกราบทูลพระศาสดาให้ทรงทราบพระศาสดาจึงได้ให้เรียกพระพัทธิยะมาพระองค์ก็ลงรับสั่งถามการที่เป่งอุทานมวมวสุกหนอสุกหนอนั้นด้วยเหตุผลคนใดพระพัทธิยะก็กราบทูลพระองค์ว่า ที่ข้าพระ อ, องค์เปริ่งอุทานออมาว่าสุกหนอสุกหนอนี่ไม่ใช่ปาลบราชสมบัติพระสถานอะไรอยู่เหมืนกันคือว่าตั้งแต่ข้าพระ อ, องค์เป็นพระมหากษัตริย์สวยราชสมบัติอยู่นุ่นสะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายอยู่อย่างนั้น่ะทั้งที่มีทหารตำรวจอะไรแวดล้อมอยู่ภาณั้นนะมันก็ยังไม่ไวายที่จะคิดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดมีขึ้นว่างั้นหาความสบายใจไม่ค่อยได้วัน <c oughs> นี้เมื่อข้าพระองค์บวชเข้ามาแล้ว น, นี่มาเจริญสมถาวิปัสสนาเข้าไปจะได้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงขึ้นมาแล้วหายกลัวเลยว่างั้นความกลัวทั้งหลายแล้วหายไปหมด <c oughs> จิตใจวิเวกวางเวงไม่มีห่วงไม่มีอะไรกับสิ่งใดทั้งหมดอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดุ้งกลัวต่อภัยอันตรายต่างๆจะไปอยู่ป่าเขาลำเนาภายัยอยู่ในถ้ำในเหวที่ไหนก็ตามดังนั้นข้าพระองค์จึงได้เปล่งอุทานออกมาว่าสุกหนอสุกหนอดังนี้อ <c oughs> ืพระองค์เจ้าก็ทรงรับทราบ ว่าเป็นอย่างนั้นจริงแต่สุขของท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วมันไม่ใช่สุขเจือดูด้วยอามิตรเจืออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอะไรเลยมันเป็นสุขอันบริสุทธ์สดใสจริงๆมันแตกต่างจากความสุขของผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่ได้อันนั้นมันสุขเจืออยู่ด้วย อาิต t h อาิต t h ในที่นี้ท่านหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆนั่นแหละเมื่อผู้ใดแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอนนันได้มามากไมา่กายกองสนุกใช่สนุกใจอย่างเนี้ยถือว่าตนเป็นสุขสบายดีออนเป็นงั้น สุขอันนั้นเรียกว่าสุขเจืออยู่ด้วยเงินด้วยทองข้าของทีนี้ต่อไปถ้าเงินทองเข้าของนั้นหมดลงความสุขนั้นมันก็หายไปตามกันหมดไปตามกัน <c oughs> อันนี้แหละที่ว่าความสุขที่เจืออยู่ด้วยอามิต h คือวัตถุสิ่งของนั้นไม่จีรังยั่งยืนน่ใถ้าพึ่งพิจารณากันให้ดีอ่ มันนี้ท่านผู้ทาจิตให้บริสุทธิ์แล้วนี่ท่านมีจิตใจตั้งมั่นอยู่เป็นหนึ่งไม่มีสองมีสามไม่มีสิ่งใดที่มาพะเน่าพะนอจิตใจของท่านให้เป็นสุขสบายเรียกว่าเมื่อละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วจิตนี้ไม่มีกังวลอะไรไม่เดือดร้อนกับสิ่งใดแล้วก็เป็นสุขตลอดไปเลย เป็นสุขสม่ำเสมอเสมอไปเลยถึงแม้ว่าจะขาดแคลนปัจจัยเครื่องอาศัยภายนอกอย่างนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนจะมีอะไรไม่มีอะไรท่านก็ไม่เดือดร้อนเลยเพราะว่าท่านไม่ไม่ได้อาศัยปัจจัยเหล่านั้นเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความสุขความสบายใจท่านไม่ได้อาศัยเลยท่านอาศัยความสงบนั้น เป็นเครื่องอยู่เลยพอดียวนีใจที่สงบจากอาสวะกิเลสต่างๆเหล่านั้นนับว่าเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์แล้วอันนี้หลายเพิ่งพากันเข้าใจการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะพระศาสดาทรงพระประสงค์ให้พุทธบริษัทเอปฏิบัติ ไปแล้วละกิเลสไปพร้อมเลยพยายามละกิเลสให้น้อยให้เบาบางไปเรื่อยๆความหมายนะ่ะก็เหมือนอย่างข้อปฏิบัติสามประการนะของคฤหัตได้แก่ทานศีลภาวนานะเมื่อคฤหัตปฏิบัติตามนั้นไปความโลภความโกรธความหลงมันก็บาวางลง มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะทีนี้นักบวชก็ทรงสอนให้เจริญไตรสิขาคือศีลสมาธิปัญญาเพราะว่านักบวชไม่มีวัตถุเข้าของอะไรจะมาให้ทานได้ <c oughs> ก็ตั้งสติสำมรวมกายวาจาของตนให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงศิขาบท ว, วินัยน้อยใหญ่ทั้งๆเช่นนี้แล้วก็ถือว่าเป็นผู้เว้นจากบาปได้ นั่นนะเป็นผู้ไม่สร้างบาปขึ้นในกายวาจาใจของตนนั่นยิงน่งใเมื่อสำรวมใจเมื่อสำรวมกายวาจาด้วยดีมีศีลบริสุทธิ์จิตใจก็เบิกบานข่องใสเมื่อน้อมใจลงสู่ความสงบมันก็ลงได้ง่ายแม่ผู้คลองเรือนก็เหมือนกันเลยการที่จิตใจมันสงบลงไม่ได้นั้นเพราะมันมีบาป ตัวเองสร้างบาปขึ้นมาแลา้วบาปนั้นนึงก็ไปรบกวนจิตใจให้สงบไม่ได้ความลักษณะของบาปมันเป็นอย่างนั้นจะว่าเป็นมารก็ถูกมันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราหลุดพ้นจากอำนาจของมันไปได้เลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านรู้อย่างนี้แล้ว ท่านจึงไม่ย่อท้อต่ออำนาจของกิเลสนั้นเมื่อกิเลส ช, ชนิดไหนไมันเกิดขึ้นท่านก็ต่อสู้ทำความเพียรโดยน้อมเอาพระธรรมคำสอนอันเป็นคู่ปรับกับกิเลสนั้นๆัแหละมาเจริญนี่เะน้นอย่ญญาว่ามันคิดโลภเร่งเพ่งเลียงอยากได้สมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้น ะ, ะลูก ก็มานึกถึงสันตุติธรรมพระศาษษสดาทรงตรัสด้วยว่าสันตุถีปรามังท่านังความยินดีตามมีตามได้เป็นทรัพย์อันประเสริฐเนี่ยเอาถา้าพระพุทธภาษีข้อนี้มาวิจารณด์ดูมันหมายความว่าอย่างไงความยินดีตามมีตามได้นั้นเมื่อวิจารณ์ดูมันก็รู้ได้ตนแสวงหาเข้าของเงินทองมา ได้มาโดยทางที่ชอบแล้วจะมากกาดีน้อยกาดีก็ยินดีพอใจใช้สอยอยู่เท่านั้นแม้คนอื่นจะมีมากกว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่น้อยเนื้อต่ำใจกับความร่ารวยของคนอื่นอันนั้นก็เป็นบุญของเขาเราบุญน้อยเราก็มีตามน้อยถ้าหาว่าตนต้องการให้มีมากตนก็ทำบุญให้มากทำความดีให้มากเข้าไปอย่าไปแย่งเอาสมบัติผู้อื่น มันเสียเกียรติของความเป็นมนุษย์ออมีอุายสอนใจขุนตนเข้าไปอย่างนีออ้มันก็สามารถปฏิบัติอยู่ในสัรตุถีธรรมนั้นได้เลยความโลภ ก, ก็ครอบงมจิตใจไม่ได้ อ, อ, อย่างนี้แหละถ้าบุคคลมาเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนไปพิจารณาดูตัวเองและวิดาดูคนอื่นสัตว์อื่น ให้เห็นลงไว้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งที่เป็นบัณฑิตทั้งที่เป็นคนพานทั้งที่เกิดในตระกูลสูงแล้วเกิดในตระกูลต่ำอันโมนี้ไม่เป็นของแปลกเมื่อมาพิจารณาลงไปแล้วว่าทุกคนเกิดมาแล้วความแก่ก็บีบขั้นเข้าไปร่างกายก็ทรุดโทรมไปเหมือนกันจะ จะเป็นคนร่ำรวยมั่งมีจะเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาหม า, หากษัตริย์ก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาปิดป้องมาให้ร่างกายนี้ชำระสุดโสมได้ไม่มีเลยเนี่ยทั้งคนจนทั้งคนรวยทั้งคนมีเกียรติยศชื่อเสียงมีเหมือนกันหมดเมื่ออยู่นานไปร่างกายก็สุดโสมไปโรคภัยก็เบียดเบียนไป ผลสุดท้ายหมดบุญหมดกรรมแล้วก็ต้องแตกตายทำลายขันลงไปนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อเพ่งพิจารณาดูทั้งตับแต่ตัวเองเนี่ยออกไปถึงบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วก็จึงเห็นได้ว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราควรจะเห็นใจซึ่งกันและกันควรจะสงสารกันอถ้าเราพอที่จะมีปัญญาช่วยเหลือใคร ตกทุกข์ได้ยากลําบากเราก็ช่วยไปเท่าที่จะช่วยได้ฮาว่าใจมันโน้มลงไปอย่างนี้แล้วมันก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนใครแล้วไม่คิดที่จะโกรธใครแล้ววันนี้เนะ่ะความโกรธมันก็วาบางลงอืมเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใครไม่ดํำรีตรีตองอย่างว่านี้นะมันก็จะเป็นเหตุให้ถือเขาถือเราอย่างว่านี้นะเดี๋ยวเขาว่าให้เราเขายกโทษเรา เราก็จะไม่ยอมให้เขาต่อว่าหรือยกโทษอย่างนี้มันเสียเกียรติความเป็นมนุษย์ก็ต้องตอบโต้กันไปก็ต้องเกิดความโกรธขึ้นอย่างรุนแรงเป็นเหตุใดทะเลาะวิวาดกันไปผูกกรรมผูกเวรกันไปเอกรรมเวรก็น่วงเหนียวไปในวัฏฐานี่นะไปเจอกันที่ไหนก็เป็นอันสังหารกันในที่นั้นทําทุกข์ให้แก่กันในที่นั้นไป มพอพารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เบื่อแล้วเบื่อกรรมเบื่อเวรเบื่อต่อการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าเลยงดแล้วเราไม่เบียดเบียนใครละใครจะมายัวย่วยวนชวนทะเลาะเราก็ไม่เอาเราเอาโหสิกรรมให้หมดเลยนี่ถ้าหาว่ามาดำรีตรีทองในใจได้อย่างนี้แนละ้วผู้นั้นก็รักษาสินได้เลยบันนี้เนี่ยก็มีสินบริสุทธ ความโกรธความพยาบาททั้งหลายมันก็เบาบางลงไปจากกิจใจได้นี่แหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานะมันเป็นเครื่องบรรเทากิเลสตัณหาน้อยเบาบางลงไปแต่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะต้องมีอบัยเยาวคลายในใจอย่างอย่างที่แนะนำมานี่แหละกิเลสมันถึงจะเบาบางลงได้คือว่าเราต้องสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจก่อน เมื่อคุณธรรมนั้นเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสมันก็ตั้งอยู่ในใจไม่ได้อเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมันนี่จิตมาส่งส่งเสริมคุณธรรมมันเป็นกุศลคือเมตตากรุณานี่นะแน่แ น, เน่เมื่อจิตมาส่งเสริมเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ไปอย่างนี้ไอ้กิเลสคือความโกรธของพยาบาตมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมมันเพราะว่ากิเลสก็ดีบุญกุศลคุณธ ร, รรม ความดีอะไรๆมันเกิดขึ้นจากจิตนี้ทั้งนั้นเลยถ้าจิตไม่คิดอย่างใดแล้วสิ่งนั้นไม่เกิดแล้ว <c oughs> นี่ขอให้พากันเข้าใจดังนั้นเราจะไปส่งเสริมมันความโกรธความเกลียดกันความพยาบาทกันมูนี้นะมันก่อทุกข์ให้ไปในสงสารไม่รู้จักจบจักสิน้นก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปในจิตมันเห็นตามปัญญาแล้วมันมันก็งดเลยไม่ส่งเสริมความโกรธแล้ววันนี้นะอะมาเจริญเมตตากรุณาทุกวันทุกคืนเข้าไปอืเช่นนี้แล้วก็ทําให้กิเลสเหล่านี้น่ะน้อยเบาบางลงไปด้วยข้อปฏิบัติเหล่านี้เองสุดท้ายก็มาภาวนาอืผู้ที่มาภาวนาเข้าไป มันก็ทําให้ความหลงนั่นเบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจไอ้ความหลงนี่ไม่ใช่อื่นไกลหรอกคือบุคคลมันส่งแต่จิตออกไปข้างนอกนู่น่ะอไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตอนาคตยุ่อย่างนั้นน่ะไม่ยอมทวนกระแส จ, จิตเข้ามาในปัจจุบันนี้นะทีนี้มันก็เลยไม่รู้เรื่องตัวเองไงตัวเองคิดผิดเห็นผิดยังไงก็ไม่รู้อะ คิดเป็นบาปหรือคิดเป็นบุญก็ไม่ค่อยรู้เลยอะเพราะมันไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาหาต้นตอของมันอ่ะมีแต่ส่งใจคิดสร้างออกไปข้างนอก น, นู่นนี่ลักษณะของความหลงให้พากันเข้าใจทีนี้วิธีระงับความหลงเหล่านี้ก็ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบันนี่เพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปดังที่เคยแนะนํามาเล่วเล่าเล่าเล่ามานั่นแหละ เมื่อเราเฮงลมหายใจเข้าออกนี่ไม่ทอ่อไม่ถอยเข้าไปไม่ยอมปล่อยให้จิตมันคิดซ่านออกไปเหมือนแต่เดิมแล้วจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงสงบลงเพราะว่ามันมันไม่มีโอกาสที่จะคิดส่งออกไปข้างนอกแล้วมันมันก็ค่อยสงบลงไปทีละน้อยล้วน้อยไปแหละจิตนี้นะคือว่าจิตนี้มันมันมาค้างอยู่ในอารมณ์นะ อือมันไม่ลงสู่ที่เดิมของมันในเมื่อมันยึดอารมณ์อันใดไว้จิตนี้มันก็ฟูอยู่ตามอารมณ์ต่างๆอลองสังเกตดูทีนี้พอเรากําหนดละอารมณ์อันนั้นได้แล้วเมื่ออารมณ์เหล่านั้นดับลงไปเนี่ยจิตมันจะจมลงไปเลยแบบนี้นะจมลงไปหาที่เดิมของมัน่ะที่เดิมของมันคือมันที่สงบอืที่สงบที่เดิมของจิตนี่นะ เมื่อมันปล่อยวางเรื่องราวต่างๆภายนอกได้แล้วมันก็เข้าไปสงบอยู่ในที่เดิมของมันนะัน่นแหละที่ท่านเรียกว่าสัมมาสมาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบคือตั้งจิตไว้ในความสงบในความสว่างเบิกบานนี่นะพระศาสดาทรงจรัสว่านี่แหละคือตั้งจิตไว้ชอบไม่ไปผูกพันกับสิ่งใดๆภายนอกเนี่ย มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกเข้าไปจเจริญเข้าไปการทำใจสงบเนี่ยนว่าสำคัญมันเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าใจไม่สงบแล้วปัญญาในทางธรรมจะเกิดไม่ไดเ้เมื่อปัญญาในทางธรรมเกิดไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะรู้ธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ได้แก่อริยสัจจะทำทั้งสี่นั่นได้ หุดมุ่งหมายการอบรมฝึกขนจิตใจนี่ให้เพื่อใจให้มันสงบลงแล้วก็เพื่อให้ปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วก็จะได้รู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี่นี่จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะหยุดมุ่งหมายของการเจริญธรรมะวิปัสสนานะี่ยมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่าพากันละเลย อย่าไปนึกว่าเราเนี่มันบุญน้อยเราบวชมาเพื่อพอเป็นอุปนิสัยปัจจัยก็เอาลนะหรือถ้าเป็นเครึงหัสก็เหมือนกันนะเราปฏิบัติศาสนานี่ก็เพื่อให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อให้บุญคุศสนเป็นที่พึ่งของตนไปเบื้องหน้าเท่านั้นเราคงไม่มีหวังจะได้มรกได้ผลอะไรแล้วคนใดมีความคิดอย่างนี้หรือว่าพูดอย่างนี้นะ คล้ไขๆกับว่าตีตนตายก่อนไข้ดังที่โบราณท่านว่าไว้นั่นะพอเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วเข้าใจว่าตนจะตายแล้วใครเอายามาให้กินก็ไม่ยอมกินนะอ่ะไหนๆมันจะตายอยู่แล้วไม่ต้องกินมันแล้ว อ, อย่างนี้อ่ะที่โบราณท่านว่าตีตนตายก่อนไข่อันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแเลยถึงอย่างไรเราจะปฏิบตัติอย่างไรเราก็ไม่ได้มักไปผลอะไรหรอกในชาตินี้นะ พอคิดอย่างนี้เราก็ท้อใจไม่นําพาไม่ไม่ดูดดื่มในข้อวัดปฏิบัติเลยใจเอยช้าไปเลยอย่างนี้นะนั่นน่ะมันก็เรียกว่าตนยังไม่ได้ลงมือทํายังไม่ได้บําเพ็ญคุณธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นี้ให้เกิดมีขึ้นในใจของตนเราไปนึกว่าตนจะไม่ได้มรรคได้ผลตนจะไม่สามารถละ ก, กิเลสได้เลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกเราต้องทําลงไปก่อนไหม เมื่อเราทำลงไปแล้วคุณธรรมอันดีงามบางเกิดขึ้นในจิตใจแล้วมันนักรู้เองแล้วบะเนี่ยมันนักรู้ว่ากิเลสมันเบาบางไว้จา ก, กจิตใจมันรู้ด้วยตนเองมาเลยวะนีะ้เป็นอย่างไงใครรู้ให้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะใครทำคนนั้นรู้เองไนงะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทำกันให้เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองให้ได้ ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้